เดินทางแล้วก็ฝึกฝนตนร่วมกั น, นส่วนหนึ่งเราก็ได้ฝึกฝนตนตนเองแต่และคนก็คงมีมีจุดหมายนะคร่าวๆบ้างอาจจะไม่ถึงกับชัดเจนหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ตั้งความหวังไม่ได้ตั้งอะไรไว้แต่แต่กระผมหรือว่าจามาก็เชื่อว่าก็คงพอมีบ้างแหละที่ แม้แต่ความรู้สึกว่าความชอบหรือว่าความอยากที่เราอยากจะมาร่วมทุ ด, ดงแสดงว่าเราก็คงมีมีมีความอยากที่จะเรียนรู้หรืออยากที่จะฝึกฝนตนหรือว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับบรรยากาศในการดดทุนดวงครั้งนี้แต่อาจจะไม่ไตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าจบการทุ ด, ดงแล้วต้องได้อะไรหรือว่าออต้องมีอะไรเป็น เป็นของแถมหรือว่าเป็นสิ่งได้เป็นชิ้นเป็นอันบางคนอาจจะตั้งอะไรไว้เป็นชิ้นเป็นอันก็แล้วแต่หรือบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งอะไรเป็นเป็นชิ้นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็แล้วแต่แต่เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงได้ได้อะไรกลับไปบ้างนวันก่อนที่จะมาเดินทื่อดงกับวันนี้เนะเราก็เราก็ไม่ใช่คนเดิมละ แม้อาจจะไม่ได้เปลี่ยน1้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นดังมือแต่มันก็คงได้เห็นตัวเองมากขึ้นนะเห็นกิเลสหรือว่าเห็นความชอบความชังในใจตัวเองมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็ทําให้เรามีความมั่นคงภายในจิตใจตัวเองมากขึ้น <c oughs> เราได้ผ่านความยากลบาบากเราได้ผ่านนะ ความเหนื่อยล้าของกายหรือบางทีเราได้ผ่านการต่อสู้เป็นในจิตใจของเรานมันก็จะทําให้เราได้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในใจของเราอยู่พอสมควรนะอันนี้คือประสบการณ์ที่ที่ทุกท่านก็คงจะได้รับจากการเดินธุ ด, ดงค์ครั้งนี้นะแต่จริงแม้การเดินธุ ด, ดงค์ครั้งนี้มันจะอาจจะสิ้นสุดที่ ที่วัดธำผาจมอนะำเภอแม่สายนะในวันนี้ก็ดีเนาะแต่การใช้ชีวิตอย่างทุ ด, ดงนี่ไม่ได้จำกัดนะว่าเราจะต้องเดินทางเช่นนี้นะหรือว่าเราจะต้อง อ, ออกมาเป็นหมู่คณะแบบนี้เท่านั้นเพราะที่จริงการทุ ด, ดที่แท้จริงคื อ, คอการที่เร า, าใช้ชีวิตอย่างขัดเกลา กเออกจากจิตใจของเรานั่นคือคือจุดหมายของการทุ ด, ดงนนถ้าเรายังใช้ชีวิตในการที่จะเอ่อเรียกว่าขัดเกลาพูดกิเรสออกจากจิตใจของเราเนี่แหละก็แสดงว่าเราก็ยังมีวิถีชีวิตอย่างทุ ด, ดงอยู่ทุ ด, ดงขวัดต่างๆที่ครูบาพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่าน ท่านบอกสอนแล้วก็แนะนำไว้จนทั้งพวกเราได้ทำตามต่อก็คือเนี่ยแหละก็คือการที่ใช้ชีวิตอย่างขัดเกากียวเกเรส่วนใดที่มันด้านที่มันหนามันออกจากจิตใจเนี่ยเหมือนกับงานแกสะสลักไม้เนี่ยให้เป็นพระพุทธรูปนั่นแหละเนาะไม้แต่ก่อนก็เหมือนเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเนี่ย เอาไปเผาเป็นฐา น, นฟืนก็ได้นะแตนะ่ผู้ที่นะเห็นไม้เป็นพระพุทธรูปนะเขาก็รู้จักขนะูดหรือว่าแกะเศษไม้ส่วนต่างๆออกไปนะก็คงเหลือไว้แต่เป็นพระพุทธรูปที่ที่สวยงามนะหรือว่าเป็นตัวแทนแห่งศรัทธาแล้วก็อาศัย ความชอบนะความเพียรแกะสดักนะใส่ใจลงไปจนกทั่งท่อนไม้กลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามได้จิตใจของเราก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้จักที่จะขัดเกลีูดเกาจิตใจตัวเองอย่างเสมอโนะดยการรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนะรู้เท่าทันความโลภความโกรธความหลง ความคิดฟุ้งซ่านอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอยู่เสมอก็เท่ากับเราค่อยๆแกะนค่อยๆขูดสิ่งที่เป็นสิ่งที่หมักหมมสิ่งที่เป็นสิ่งนอนเนื่องหรือว่าสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ออกจากจิตใจเราทีละขณะทีละขณะแล้วยิ่งเราทํามากเท่าไหร่ยิ่งเราทํำบ่อยเท่าใดเราก็เข้าใกล้สภาวะพุทธะ หือว่าเราก็เป็นพุทธะมากขึ้นเท่านั้ น, นอันนี้คือวิธีของการทุดงพระวัดไม่จําเป็นจะต้องออกเดินทางก็ได้อยู่ที่วัดหรือว่าอยู่ที่ไหนไหนถ้าเรายังใช้ชีวิตเช่นนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการทุดงพวัดอยู่หรือเราจะเป็นนักบวชก็ดีหรือเราไม่ได้เป็นนักบวชก็ดีถ้าเรายังมีวิธีชีวิต วิถีหรือวิธีคิดที่ใช้ชีวิตอย่างเรียกว่าทวนกระแสกิเลสนะทวนกระแสความโลภ ค, ความโกรธความหลงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะทําสิ่งที่เป็นกุศลแล้วกนะ็รู้เท่าทันความเป็นไปของโลกนะไม่ยึดติดในโลกธรรมหรือว่านะเห็นชีวิตมันเป็นเช่นนั้นเองนะ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะแต่เราก็ใช้เหตุปัจจัยที่มันมีให้มีคุณค่าที่สุดนะแต่การที่จะพัฒนาตนอันนี้ก็เป็นวิธีที่ที่เราก็ได้ใช้ชีวิตที่มีคุณค่าแล้วเนาะจะเป็นนักบวชก็ตามหรือไม่ได้เป็นนักบวชก็ตามก็สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้นะชีวิตที่ดีงามมันไม่จํากัดที่ที่เพศบัณชิตหรือว่าเพศ พรรหัเท่านั้นแต่วิถีชีวิตที่ดีกงามก็คือผู้ที่มีใส่มีใจใส่ที่จะขัด ข, ขัดเก่าจิตใจของตนนั่นแหละก็คือวิถีชีวิตที่ดีกงามแล้วนั้นพวกเราทุกคนสามารถทําได้นสามารถทําได้จะบวชหรือไม่บวชจะอยู่วัดหรือไม่อยู่วดัดจะอยู่ที่ไหนถ้าเราใส่ใจรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับใจของเราเองอยู่เสมอนี่ก็ถือว่า ถูกแล้วนะหรือว่าเรามีสติกลับมาเรารู้ถึงปัจจุบันขณะในสิ่งที่เราทำอยู่นะเห็นกายเคลื่อนไหวรู้เท่าทันใจที่คิดนึกอันนี้ก็คือเราก็เรียกว่าไม่เปิดช่องให้ให้กิเลสเขาทำงานนะแต่บางคราวกิเลสเขาสอดแทรกขึ้นมาทางความคิดทางความรู้สึก แล้วก็ก็แค่รู้เฉยเฉยไม่เป็นไรไม่ได้เป็นห้ามไม่ได้ไปกฎไม่ได้บังคับเออเกิดขึ้นมาก็ดีจะ ไ, ได้รู้นะดีที่รู้ไม่ใช่ดีที่เกิดนะดีที่เรารู้ทันมันตรงนี้แหละก็คือสิ่งที่เราฝึกหัดกันเนาะฉะนั้นเราให้เพราเราพยายาใช้ชีวิตเช่นนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะจากจากจนกระทั่งเราเราเสียชีวิตนั่นแหละนะ มันก็จะเป็นชีวิตที่เรียกว่ามีคุณค่ามากนะโอกาสครั้งต่อไปเราจะได้ทุดดงเป็นหมู่คณ ะ, ะหรือไม่อันนั้นก็ให้หวางไว้ให้เป็นเรื่องของอนาคตหรือโอกาสที่เราจะได้ออกทุดมผู้เดียวก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่มันมันจะเป็นไปหรือว่าแล้วแต่ความตั้งใจของเราที่จะลองขัดเกลาลองฝึกฝนตนเช่นนั้นบ้าง ก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะหรือเราอาจจะไม่ได้ออกทุดดงเช่นนี้อีกแต่ก็ถ้าเราใช้ชีวิตนะทุกวันในที่วัดหรือในที่บ้านของเราให้เป็นสถานที่ทุดดงให้เป็นเครื่องทดสอบจิตใ จ, ใจตัวเองอยู่เสมอนี่มันก็ทำได้เช่นกันนะนะอย่างเช่นเราทานอาหารนะ ถ้าเราเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นจากความอยากนะหรือว่าเห็นความชอบความชังที่เกิดขึ้นกับการเคี้ยวการเลือกอาหารเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันแล้วก็ละกิเลสออกจากจิตใจตรงนั้นได้นี่ก็เป็นการตื้อตมเหมือนกันนะแล้วเราสามารถทำได้ทุกวันด้วยนะบางคนก็วันละหนึ่งเวลาบางคนก็สองบางคนก็สามเวลาก็ก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้ ได้เห็นกิเลส น, นะหรือขนาดที่เคีย้ยวขณะที่ชันรสชาติของอาหารที่รับประทานถ้าเรารู้ทันอารมณ์ความรู้สึกของเราเองแล้วก็เออเราก็จะไม่ติดในรสชาตินะก็แค่สัมผัสกับรสชาติแล้วก็เกืนก็เคีย้ยวมันไปแต่ก็รู้ว่ารสชาติต่างๆมันก็เป็นเพียงแค่ธาตุสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะเป็นของปฏิกูลของที่ไม่ได้หน้า น่าดูหน้าเอาอะไรเลย ท, ทั้งที่ตอนแรกมันก็ดูหน้าดีมันก็ดูดีมันดูหน้าเอามันดูหน้ารับประทานแต่สุดท้ายพอผ่านร่างกายนี้นะที่มเป็นของสกปรปกเป็นของที่เรียกว่าผูกพังไปเรื่อยๆก็กลายเป็นของหน้าเกลียดยิ่งยิ่งไปด้วยกันนะเมื่อผ่านจากร่างกายของเราเองอันนี้ถ้าเราจะพิจารณาเช่นนี้อย่าเสมอเนาะการรับประทานอาหาร หรือการเลือกาหารมันก็เป็นการเรียกว่าสามารถปฏิบัติทำได้นะหรือการใช้ชีวิตอย่างอื่นก็เช่นกันบางทีเราต้องเกี่ยวข้องกับการซื้อขายบางทีเราก็เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายเช่นในตลาดหรือว่าในห้างสรรพสินค้านะถ้าเราสามารถเห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นนะในใจของเรานะดูว่าสิ่งที่เราซื้อมาเป็นความจาเป็น คือสิ่งที่เราซื้อมาเป็นความอยากนะมันก็สามารถรดูได้เออถ้าเราสามารถซื้อหรือว่าหาเพราะว่าความจำเป็นที่ต้องใช้ต้องบริโภคเอออันนี้มันก็ถูกต้องแล้วไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้ามันหามาเพราะว่าความชอบเพราะความอยากเ พ, าเพราะการสนองตัณหาอันนี้เขาแสดงว่าเราตกเป็นทาสของกิเแลสแล้วนะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันตัวเองเราก็จะเออ เป็นอิสระจากมันหรือว่ายับยั้งก่อนที่จะลงไปกับมันได้นะหรือถ้าลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ตั้งใจใหม่ว่าครั้งต่อไปจะไม่ลงไปกับมันนะอันเนี้ยก็คือการที่เราใช้ชีวิตอย่างทุดงในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ได้เช่นกันนะนะทุกสถานที่นะทุกเวลาทุกโอกาสนะถ้าถ้าเรามีปัญญา ถ้าเรามีความตั้งใจมันจะเป็นสถานที่ที่เราสามารถนะฝึกฝนจิตใจของตนได้เสมอนะอยากให้เราได้ไดใช้ชีวิตเช่นนี้หรือว่าใช้โอกาสเช่นนี้อยู่เป็นประจำนะชีวิตของเราก็จะดีงามนะเราเป็นพระนะเราก็จะเป็นพระที่งามขึ้นเรื่อยๆนะเราเป็นแม่ชีก็จะเป็นแม่ชีที่ทขาวสะอาดที่บริสุทธิ์ จิตใจสะอา่านบริสุดขึ้นเรื่อยๆ เ, เราเป็นคาวาสจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าสมกับคำว่าอุบาสกอุบาสิกามากขึ้นเรื่อยๆก็คือผู้ที่เข้าใกล้พรระัฒนาใจนะผู้ที่มีจิตใจเข้าใกล้ความเป็นพุทธธรรมสังฆะขึ้นเรื่อยๆอยนะนันนี้คือเราก็จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนี่คือการที่ ถ้าเราทำเนาะมันก็จะได้เพราะพระพุทธเจ้าดูว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารพระสงฆ์ที่บอกต่อมันก็ก็เกิดจากการกระทำเนาะศาสนาพุทธหรือว่าพระรัตนตยนี่เกิดจากการกระทํานำไม่ใช่เกิดจากการอ้อนวอนไม่ใช่เกิดจากการขอร้องหรือไม่ได้เกิดจากการคิดนแต่เกิดจากการที่เรากระทํำบ่อยๆฝึกหัดตัวเองบ่อยๆ อย่าท้อถอยเนา ะ, ะแม้กิเลสบางคนอาจจะมากแม้ตัณหาความอยากอาจจะมากแม้สังคมนี้จะมีสิ่งย่อยวนหรือว่าบางคนบอกว่ามีอุปสรรคมีภาระที่มากอยู่ก็อย่าท้อถอยแล้วกันเนาะอย่าท้อถอยให้ถือว่าเป็นเครื่องเครื่องทดสอบเครื่องทดสอบจิตใจของเราเอง ยิ่งมีอุปสรรคมากเท่าไรนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งขวางกันนะ้นเนาะถือว่าดีเป็นการบําเพ็ญบารมนะีเป็นการฝึกฝนตนให้มันเข้มข้นขึ้ น, นเรื่อยนะเหมือนเราเดินทางไกลใช่ั้มถ้าทางราบมันก็เดินสบายสบายแต่ถ้าเดินขึ้นเขาบ้างแดดร้อนบ้างนะบางครั้งขนาดที่เดินทางอาจจะเหนื่อยล้าอาจจะท้อถอย แต่พอเราขึ้นได้สำเร็จเราผ่านมันสำเร็จนะมันก็สึกภูมิใจในตนเองเออแม้เขาที่สูงนะเป็นพันสองพันเมตรเราก็เดินข้ามมาได้แล้วนะแม่แดดจะร้อนแม้ระยะทางจะไกลอย่างเราเดินเกือบ600 km, หกรนะ้อยกิโลเมตรมันน่ะถ้าคิดในตอนวันแรกที่เดินมันก็โอ้เหมือนไกลเนาะหกร้อยกิโลเมตรนี่ไป แคยภูมิกับกรุงเทพได้เกือบสองรอบมนเะนี่ยไปกลับได้มนะันเนี้ยก็มันก็ดูไกลแต่พอเดินเข้าจริงจรมันก็เดินได้นะ่นะแค่ยี่สิบกว่าวันมันก็สามารถที่จะเดินได้มันก็เป็นพอเราคิดอีกทีมันก็เกิดความภูมิใจรเรามองย้อนกลับไปในชีวิตของเราเองเออเราได้ทําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเนี่ยชีวิตมันก็มีความสุขนะเออ พอมันมีความสุขกับชีวิตกั บ, ก, บกับการมองชีวิตที่ผ่านมาแล้วเออมันได้ทําสิ่งที่ดีงามมันได้ทําสิ่งที่ที่สมควรแก่ความเป็นสมณะหรือสมควรแก่การเป็นชาวพุทธแล้วแล้วก็รู้สึกภูมิใจู้ความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความสุขใจขึ้นมาเมื่อเกิดความสุขใจขึ้นมาเนี่ยจิตใจของเราก็จะมีสมาธิก็คือมีความตั้งมั่น มีความมั่นคงนะไม่หวั่นไหวไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เจอครูบาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่เราก็เกิดความไม่หวั่นไหวเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันมันถูกทางหรือว่ามันดีงามอยู่นะเราก็เกิดความไม่หวั่นไหวจิตใจก็มีสมาธินะมีสตินะแล้วก็จะเป็นฐานที่สําคัญในการที่จะเกิดปัญญาต่อเนื่องไปเรื่อยนะ ในการที่จะเดินปัญญาไปเรื่อยแต่แม้นะบางคนนะหรือบางครั้งเรามองชีวิตเราที่ผ่านมาอาจจะทําสิ่งที่ไม่ดีงามมาบ้างหรือว่าหลงผิดมาพอสมควรมาเยอะพอสมควรก็อย่าไปอย่าไปให้ค่ามันแล้วกันเนาะก็ถือว่าชีวิตที่ผ่านมามเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วนะตอนที่เราเป็นค า, ารวานะ หรือว่าตอนที่เราเรายังไม่รู้แม้บวชมาแล้วแม้ฝึกมาปฏิบัติธรรม้วแต่บางครั้งมันก็ลงไปกับกิเลสบ้างก็ถ้ามันเป็นอดีตไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอย่าเอามาให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองเนาะให้เรามาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ในวันนี้นะในขณะนี้นะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะ แล้วก็จะตั้งใจทําวัน ต, ต่อต่อไปให้ดีที่สุดไปเรื่อยๆนะต่างทั่งชีวิตเราจะหาไม่นั่นแหละให้เราตั้งใจใหม่นะไม่เป็นไรอดีตที่มันผิดพลาดไปก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนจะไม่เดินซ้ําจะไม่ลงอีกนะให้ถือว่าเป็นความตั้งใจที่จะเดินทางที่ดีทางที่ถูกทางที่จะออกจากความทุกข์เนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจนะมันก็ ไม่สายเกินไปหรอกนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สมควรทาด้วยนะเหมือนคนหลงป่านะหรือคนหลงทางนะถ้าเรารู้ว่าเราหลงป่าถ้าเรารู้ว่าเราหลงทางเราจะหาทางที่ถูกเราจะพยายามนะหาออกจากความหลงนะถ้าเรารู้ตัวว่าเราหลง แล้วเราพยายามที่จะออกจากความหลงนั่นแหะมันดีแล้วนะแม้วันนี้มันยังหาทางไม่เจอแต่ถ้าเรายังมีความเพียรมีความตั้งใจอยู่เนาะเดี๋ยวก็หาทางเจอนะเมื่อหาทางเจอแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยนี่มันก็เรียกว่าเข้าใกล้จุดหมายปลายทางเรื่อยแต่สำหรับคนหลงเราไม่รู้ว่าตัวเองหลงนั่เนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวกว่านะแต่คนหลงเรารู้ว่าตัวเองหลงนีมันยังมีโอกาสที่จะ นะเดินทางถูกได้นะนะแม้อาจจะยากหน่อยขนาดที่หลงนะแม้อาจจะฝืนหน่อยในในความที่มีกิเลสตัณหามากนะแต่ก็ถือว่ามันเป็นบททดสอบดูเนาะมันไม่เป็นไรหรกักนะแต่ที่จริงนะความหลงนะในทางจิตใจมันไม่ได้ยืดยาวหรอกนะถ้าเรามีสตนะิมันก็จะตื่นขึ้นมาได้ฉับพันทันทีนะ ออกจากความหงได้ในขนาดนั้นทันทีนะแต่แน่นอนความหลงมันก็นอนเนื่องหรือว่ามันก็คอยจ้องที่จะได้งานจิตใจอยู่เสมอนะมันก็อาจจะกลับมาใหม่นะอาจจะเกิดขึ้นบ่อยอีกก็ไม่เป็นไรเราก็แค่รู้ทันกายรู้ทันใจบ่อยๆแล้วกันเมื่อเรารู้ทันกายรู้ทันใจบ่อยบ่ยนะมันก็เกิดแสงสว่างไปในจิตใจนะเกิดปัญญาในการที่จะพาชีวิต ไปสู่สิ่งที่ดีงามคล้ายๆเหมือนกับคนคนที่หลมก็เหมือนคล้ายๆคนที่อยู่ในถำ้ำนะถ้ำที่ไม่มีแสงสว่างถ้าที่มืดมิดนะนะในขณะที่เรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นก็เหมือนคล้ายๆเกิดแสงเทียน น, น้อยๆเกิดขึ้นนะอยู่ตอนหน้านะ ก, ก็ทำให้เราสามารถเดินก้าวไปข้างหน้าได้ นะแม้จะไม่ยาวนักแต่มันก็ทำให้เราพอจะเห็นทิศเห็นทางที่เดินได้แบบไม่ไมหกลม้มหรือว่าไม่ตกลนลงไปนะเราก็พยายามหมั่นให้เกิดแสงไฟแสงเทียนขึ้นน้อ ย, อยเฉพาะหน้าของเราอยู่เสมอนะถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยเราก็ทําให้เราออกจากถ้าก็คือออกจากปวิชาได้นะอย่าประมาท แสงไฟที่น้อยเนานะจนกระทั่งถ้าเราสามารถต่อแสงไฟที่น้อ ย, นอยจนกระทั่งกลายเป็นแสงสว่างอย่างเช่นตอนเนี้ยเราอยู่ในถ้ำแต่ก็มีแสงไฟที่สว่างพอสมควรเนะี่ยก็ทําให้เราอยู่ในถ้ำได้อย่างไม่เป็นอันตรายนะจะเข้าจะออกก็ปลอดภัยชีวิตของเราก็เหมือนกันนะชีวิตของเราถ้าเปรียบถ้าเหมือนกับโลกนะเปรียบถ้าเหมือนกับสังคม เก็บถ้ำเหมือนกับวัตตะสงสารนี้นะถ้าเรามีสติปัญญาอยู่เราก็สามารถอยู่กับโลกอยู่กับสังคมอยู่กับวัตตะสงสารหน้าอย่าไม่ทุกข์นะเพราะเราเห็นทางเดินเรามีความชัดเจนในการใช้ชีวิตอยู่นะเราก็สามาร ถ, อ ย, อ, ยารถาอยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทันโลกได้อยู่กับโลกอย่าไม่ทุกข์ได้แล้วก็อยู่กับโลกอย่างอเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ บอกสอนหรือว่าแนะนําเพื่อนให้ออกจากความทุกข์ได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าทางเดินที่ดีทางเดินที่ถูกมันคือตรงไหนเราก็สามารถบอกเพื่อนเตือนเพื่อนแนะนําเพื่อนได้อันนี้ยิ่งเป็นประโยชน์ใหญ่ขึ้นไปเนาะนั่นคือถ้ฝากอยากจะฝากพวกเราไว้ในการใช้ชีวิตนะทุ ด, ดงขวัตนะจะเป็นกลุ่มเราก็ดีหรือว่าคนอื่นที่ไม่ได้มาร่วมในขบวนก็ดีก็สามารถใช้ชีวิตเช่นนี้ได้นะ ตลอดเวลานะถ้าเรามีความระลึกถึงในการที่จะขัดเกาจิตใจของตอนเองอยู่เสมอก็เราก็สามารถใช้ชีวิตนะในการุดถอยขวัญได้ตลอดเวลานะไม่จำกัดการนะธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่จำกัดการเป็นภคการดิโกเป็นอาการดิธรรมไม่จำกัดสถานที่อันนี้เป็นสิ่งที่ให้เราระลึกอยู่เสมอนะก็ฝากไว้ t h a o